ทำโมสังโคก็ได้หรือกําหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ง่ายนิดเดียวเราไม่ต้องไปเรียนรู้มากอให้รู้แต่พุโทโธดูลมหายใจหายใจมันเป็นยังไงไมัหายใจเขา้าหายใจออกมันเช่นนั้นดูเช่นนั้นมิสติรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้มีอดีตอดีตตัดให้ได้อนาคตอย่าให้มี ถ้ามีอดีตนาคตนก็วุ่นวายมันมีอนาคตอยู่มันก็ปรุงก็แต่งไปเรื่อยถ้ามีอดีตมันเกิดดึงก็มาามชิดมาพรุงมาแต่งความสงบมันจะมาจากที่ไหนเราต้องเอาจริงว่าพุทโธจังพุทโธอย่างจริงกำหนดลมหายใจเอาลมหายใจมาถึงห้านาทีเยวถ้าเราเอาจริงนะ กำหนดเพ่งนี่พิพจรารณาเพ่งดูว่าใจมันอยู่จริงหรือไม่ต้องสํารวจตัวตาดูว่ามันอยู่หรือมันไปมันคิดอะไรมันอยากอะไระต้องดูต้องดูแลต้องพิจารณาตัวเองอเราว่านั่งพอยนั่งวางนั่งำํำระศาสสังให้ใจิตใจผ่องใสไม่ให้ใจมันวุ่นวาย ใจวุ่นวามหาสียงความสุขควสงบไปได้ไม่มีความสุขกับความวุ่นวายเนะี่ยมันมีแต่ทุกข์แล้วมันไม่มีสิ้นสุดเลยเรื่องจิตเรื่องใจนี่มันปรุงมันแต่งกนได้ทั้งวันทั้งคืนที่นอนหลับมันยังปรุงยังแต่งอีกอะ่ะมันชม่ธรรมดาใครระงับดับได้ใครทําความสงบทําใจให้เป็นสมาธิได้คนนั้นอยู่อย่างเบาอยู่อย่างสบาย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 มันจะอยู่ในปัจจุบันทุกมันก็ไม่รู้หรอกสุกมันก็ไม่รู้เพราะใจมันฟุ้งซ่านนั่นเพราะใจมันกำหนดอยู่เป็นหนึ่งแล้วหนึ่งไม่มีสองนะอยู่ในพู้โทรด้วยกำหนดลมหายใจเนี่ใจมันจะค่อยปล่อยค่อยวางอะไรเข้ามาเราก็หักก็ห้ามเราแทรกสติแทรปัญญาพิจารณาเพิกเผยออกไปอย่าให้มันแทรกแซงเข้ามาในหัวใจ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 ตาได้มีใครได้แต่ไปได้เคยชิดไม่แต่ละเมือ่อแต่ละวันชิดเรื่องอนิจจังชิดหรือไม่ภูเจว่ามีเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมีแปรปวนในทำกลางมีแตกสลายในสิสุดไม่มีมนุษย์ดักคุดเอ็นพรมที่ไหนจะอยู่ได้จะทุกข์จะจนจะล่ำจะรวยจะสวยจะงามสักปันใดเอาเถ อ, อะมันจะแจ่ไหมมันจะเจ็บไหมมันจะตายไหมเวลาแย่แล้ว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 เห็นทุกนาเห็นหน้าตานะใจมันจะไม่ยึดไม่ติดไม่สําคัญไม่หมายเวลาธาตุจะแตกขันจะดับอ่ามันจะไม่ได้กังวลไม่ไม่ได้เสียเสียใจอยู่ก็ได้ตายไม่เป็นไรบ้านดิตนักป่าท่านพิจารณาอยู่ทุกวันทุวันทุวันเนี่ยถ้าไม่หวั่นไหวโยมพิจารณามื่ลงตัวทุกวันเออพิจารณาวันนี้ก็เห็นความเจ็บวันนี้ก็เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นมันทุกวันเห็นมันทุกวันมันจะว่ายังไง ใจมันก็ยอมรับได้นี่วันหนึ่งยีง่สสี่ชั่วงมันคิดไปที่ไหนบ้างมันได้ภาวนาไหมได้พิจารณาสำรวจตรวจตาสังขารร่างกายในจังทุกขังนัจตาหรือไม่นี่ส่วนมากมันไม่คชดหรอกจิตใจมันแสบสายเพลิดเพลินเจริญไปที่ไหนหมูกไปกระสุกกระสุยไปทั่วที่ทั่วแดนนั่นมันก็ได้อยู่แบบไม่รู้เรื่องลูราว เวลาจะตายจริงๆก็เสียอกเสียใจลำพึงรองให้เสียอกเสียใจกลัวจะพัดภากจากกันถึงอยากจะไม่อยากจากก็จําเป็นจําใจจะต้องจากกันไปไม่วันใดก็วันหนึ่งจากกันแน่นอนไม่อยากจากก็จากไม่อยากตายมันก็ตายไม่อยากแก่มันก็แฉเนีเราจะเอาตรงไหนเป็นของเรานั่นพิจารณามันทุกวันแม่พิจารณาทุกวันทุกวันแล้ว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 นี่เกิเหมือนกันแหละใจของเราเมื่อฝึกฝนดีแล้วรู้แล้วรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้นะอยู่ข้างหน้าเรานี่นะเกิดมาได้จะเป็นอย่างนี้นะต้องแก่นะต้องเจ็บนะต้องตายนะต้องพัดพากจากกันน ะ, อะสอนมันทุกวันบอกมันทุกวันสอนตัวเองบอกตัวเองคุยกับตัวเองทุกวันทุกวันทุวนจะไปคุยกับคนอื่นเสียเวลา คูดไปพูดมาก่าโอมันจริงนอเนี่ยเมื่อมันจริงใจกระสงบใจมันมาเพุ่มเพื่อมใจมันมาเพิดไม่เพินมันอยากกําหนดเข้าไปเลี่ยเออเห็นความแจควเห็นความแจเนี่ยมันไม่อยากได้อะไรหรอกอ่าควรเห็นความเจ็บแล้วยมันไม่อยากได้อะไรอกอคนมันเห็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเรามันอยากจะได้เลยมันมีอะไรจะได้มันจะอยากจะได้อะไรนี่แต่มันจะลดจะละจะปล่อยจะวาง ลดแค่นิดลดแค่หน่อยพิจารณาไปพิจารณาไปเห็นไปรู้ไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในสัตพังร่างกายมีแต่อันิจังมีแต่ทุกมีแต่หน้าตามันจะมายึดมาถือมาเอามาแบบไม่หามเอาไปทำไมนั่นเราคิดว่าเราโง่หรือเราฉลาดจะเอาไปทําไมเอามันก็ไม่ได้ถ้าเราปล่อยระวางได้เวลาขาดใจเวลาธาตุจะแตกขันันแบมันมีปัญหา ไม่กลัวถือว่าเป็นธรรมดาเพราะเราได้พิจารณาทุกวันทุกวันเด็กจะไปกลัวทำไมแล้วพิจารณาทุกวันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะไปกลัวตรงไหนตายคือตายเจ็บคือเจ็บตายคือตายตายไปแล้วถ้าจิตเดชมันยังค่องยังคายังสงสัยคาใจมันยังเสียดายอยู่มันยังไม่ยอมอมันก็ยังใจลึ ก, ลกๆเด็ยมันยามาเกิดอีก มีความคิดมีความบาดถนาะอยากมาเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์ยังมีความพอใจยินดีมันก็มาอีกอ่ ะ, อะถ้าเราตัดได้โดยเด็ดขาดเห็นโดยตามความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทอย่างเป็นอย่างนี้มันเกิดนีพิทาความเบื่อหน่ายมันไม่เอาอีกแล้วสังขารร่างกายมันมี ม, มีมีแต่อหารตทุกมันก็ปล่อยทิ้งได้ไปอย่างสบายไม่ห่วงหน้าห่วงหลังลูก ก็จัดได้พวกตัดได้เมียก็ตัดได้สมบัติพิสิทานมันก็ตัดได้มันเป็นอัตโนมัติเพราะมันรู้จริงแล้วถ้ารู้ไม่จริงนะผมก็สงสัยคาใจอยู่เอ๊ะจะซึ่งจะปล่อยจะวางก็จะไดยนั่นเพราะเราพิจารณาไม่เห็นเข้าไม่ถึงสมาอันแท้จริงถ้าเราเข้าถึงสมาอันแท้จริงแล้วจิเลศมันพังทลายมันอยู่ไม่ได้มันเห็นหมดจิตเลศจะมาปิดมาบังมาป้อง มากั้นมาขวางธรรมะนี่ไม่ได้ธรรมะสูงกว่าแจงกว่าดีกว่าสูงกว่าดีกว่านะไม่ใช่ว่าธรรมะมันด้อยนะแต่เราไม่ปฏิบัติธรรมะเราไม่เข้าไปถึงธรรมะเชื่อว่าเรานี่สู้ที่เด็ดไม่ได้ความจริงเราไม่สู้สู้ขึ้นกลางกา็แพ้มันแพ้มันวัน น, วนึงก็แพ้พุ้ น, นี้ก็แพ้เปลียนนี้ก็แพ้ก็เลยท้อถอยก็เลยมองไม่เห็นว่าจะแจ้งจะขายจะเปลี่ยนจะแปลงยังไง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 หมูหมาเป็ดไก่มันก็ตายแล้วเมื่อตายเกิดมาในโลกมีไหมนั่นท่านพิจารณาทั่วถึงหมดในโลกปัจจุนในโลกในสงสารนี่ไม่สงสัยห้องใจเรกเมื่อตายได้เราเกิดมาแล้วมันจะต้องมีเกิดแล้วจะต้องไม่แก่ไม่เ จ, มจ็บไม่ตายหนีไปที่ไหนถามดูดูให้ดีเวลาจะตายเป็นยังไงบ้างเรามีความขอจะยินดีไหมอยากจะตายไหมแต่มันกนี้ไม่พ้น นีไม่ได้มันผองหน้าเราอยู่นี่เราพี่ณาทุกวันทุกวันนี่มันจะหนีไปไหนใจก็สงบใจก็เยือกเย็นพิจารณามองอะไรเห็นหมดเลยจะดูอันนี้จังโอ้มันอนนีจังจริงจรงอนอนี่มันน่าสุดใจทําไมเรามาพอจะยินดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พิี่ณาดูทุกกําหนดดูทุกทุกมันปรากฏมันแสดงดูทุกละมาใจว่าโอ้ทุกเว้ล่ะทุกเว้น เ, เวลา เ้วทำามาจะมาพอใจยินดีของ ม, มันเป็นสระไม่เป็นเปี่ยนสารเรายังมันพอใจยินดีแล้วงูแล้วฉลาดพิจารณาไปเอา้านี่ทุกอย่างเป็นเป็นอนาตตาพ่อแตกดับแล้วถ้าตุสีดินน้ำลมไปมันแตกสลากลายเป็นดินน้ำลมไปแล้วตัวของเราอยู่ตรงไหนของเราอยู่ตรงไหนมีตรงไหนที่มันนี่ก็คือใจนี่มันไม่แตกมันไม่สลายใจมันไม่ตายนายม ใจแม่แตายบุญกุศลที่เราบําเพ็ญมาเป็นนิสัยเป็นสายบุญกุศลจิตศาสตรมมาอยู่ในหัวใจใจไปไหนบุญไปกับเราได้ทุกสถานที่ทุกแห่งทุกผลบาปก็เช่นเดียวกันนั่นไปกับเราได้แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องนี่ไปได้ชั่วระยะหนึ่งหรือว่าเป็นบางครั้งบางข่าวไปกักนได้เวลาตายแล้วตัวใครจะมันนะพ่อก็บพึ่งไม่ได้แม่กับพึ่งไม่ได้ลูกก็พึ่งไม่ได้ เงินก็พึ่งไปได้อะไรก็พึ่งไปได้เราคิดหรือไม่นี่คือการปฏิบัติภาวนาเพื่อจะลดจะละเพื่อจะปล่อยจะว่างเพื่อจะเกิดนิพพานความเบื่อหน่ายในการเป็นว่าตะเกิดในบัว์สทงสาร <c oughs> เพราะนั่นเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องกำจัดเราต้องพัฒนาต้องสำรวจตัวตาอยู่ทุกวันทุกวัน ความแจกความเจ็บ ค, ความตายเป็นยังไงนอบุญกุศลเราสะสมเป็นที่พึ่งพอใจหรือยังแล้ว เ, เกิดขึ้นมาเราจะได้อะไรเป็นทุนเป็นกําไรคิดหรือไม่เราได้มากได้น้อยพอเพียงหรือไม่เป็นที่พึ่งพอใจหรือไม่บาปเราทํามามากสักปันใดบุญเราก็ทำบ่มเป็นม า, มากน้อยสักปันใดเราต้องสํารวจตัวตาถ้าเรายังรอยอยู่บุญกุศลยังไม่พอเพียง ยังไม่เป็นที่พึ่งพอใจแล้วทำให้มันเจริญได้ทำให้มันสูงได้ทำให้มันมากได้ถ้าเราไม่เอาใจใส่ก็อยู่ไปตายไปไม่มีประโยชน์อยู่ร้อยกีพันปีก็ไม่มีความหมายเพราะมันไม่สนใหญ่ธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนมาตั้งแต่เราเกิดมาดีก็สอนไม่ดีก็สอนบาป ก, ก็รู้บุญก็รู้นรกก็บอกมาทุกวัน โลกก็มีสวรรค์ก็มีเทวดาผ่าก็มีเอาเอาพ้นทุกข์ก็มีอาจจะมาเกิดอีกก็ได้จะไปเป็นเปรตเป็นผีก็ได้เราจะไปทางไหนเรามีมันสมองดีๆกินข้าวทุกวันเอาไว้ทำไมมันสมองใช้มันเป็นประโยชน์ถ้ามีคุณนข้ามีราคามันจะไม่เสียเวลาเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พระพระพุทธศาสนาตัวจะเกิดมาเป็นพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์พระศาสดาของเจ้านี่มันจะธรรมดานะ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 ถ้าเราไม่เทคแคร์ care, ดูแลไม่สํารวจตัวตาไม่รู้ว่าเราต่ำหรือเราสูงหรอเราดีเราเจริญยังไงไม่รู้เพราะนั่นเราต้องดูตัวเองศิ้เป็นไงนบริสุทธิ์ไหมสิ้นห้าบริสุทธิ์ไหมข้อที่หนึ่งบริสุทธิ์ไหมข้อที่สองบริสุทธิ์ไหมข้อที่สบริสุทธิ์ไหมข้อที่สดีไหมข้อที่ห้าเป็นอย่างไรเราสํารวจตัวตาอยู่โอ้เรานดีกว่าปที่แล้วนะ ปีที่แล้วมันยังมีด่างมีพ้อยยังมีได้มีเสียมีขาดมีเกินปีนี้ดีกว่าเก่านั่นถ้ามันดีขึ้นอย่าทำมันดีลงทานแล้วกับพยายามภาวนาแล้วกับภาวนาทุกวันทุกวันอย่าขี้เกียจขี้มันไม่ดีอม่ไม่คงไม่ดีหรอกอย่าไปตามขี้มันไม่ไม่ได้ดีหรอกมีแต่เสียไม่มีได้เลยครูบาาจารย์ท่านกับมีธาตุมีขัน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 มันก็ไปได้อยู่ถ้าเอาจริงเนี่ยมันไปได้เหมือนเราจะเดินทางแหละเราจะเดินทางไปบ้านบ้านมันไกลแล้วเดินทุกวันไปทุกวันเดินทุกวันมันก็ใกล้ข้าไปใกล้กับไปใกล้กบไปมันถึงจุดหมายไปต่างถึงบ้านเรามันก็น่าอยู่ในตุ่มนะหอยเราหยดุหยดลงไปมันรยุดระยุดเต็มไปได้ไหมนี่เราอย่เพียบอุบ ม, มาให้ฟังในมุ่งกุศลพวกเราอย่าเชื่อว่าเราทําไม่ได้ ผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยเนะี่ยสามารถสร้างบุญสร้างบารมีไปสวรรค์ได้ทุกคนที่นั่งอยู่นี่ยเราจะไปสวรรค์หรือไปนระกต้องถามตัวเองต้องพินานะจพารณาเนี่ยแล้จะทําผิดทำพลาดทําผิดศีลผิดธรรมนี่เราต้องมีความละมีความเกรงกลัวต่อบาป ก, กรรมต่อการกระทําความตายมันอยู่ข้างหน้านะความแจกความเจ็บ ค, ความตายความบาดภาคมาทราบว่าวความวันไดจะตาย เรื่องอะไรเราจะมาทำบาปทำกรรมมันเเชงกำจดกำลังจะ ต, ตายอยู่แล้วมันก็ต้องเตือนต้องบอกต้องดาอ่าเจ้าของอยู่บ่อยๆมันเพื่อจะรู้ตัวนะบางทีแม้แต่เลงนะคิดว่าตัวเองดับตัวเองดีตัวเองรู้ตัวเองมีบุญมีบา ร, รมีมันไม่ใช่น ะ, ะแล้วต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเสี้ยทีที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีคุณค่านะคะแต่ละวันแต่ละวัน เราไหวพระสวดมนต์ภาวนาไม่ตายขึ้นหนึ่งห้านาทีสิบนาทีทําจิตทําใจให้ผ่องให้ใสให้ดีให้งามสํารวจตรวตาตื่นขึ้นมาคิดถึงเรื่องบุญอย่าไปคิดถึงเรื่องบาปเรื่องบาปมันเศร้ามันหมองมันขุ่นมันมัว ม, มันพุน่งสรางวุ่นวายตัวบาปไ ม, มป่มีแต่ตัวปัญหามีแต่ตัววุ่นวายตัวอับปีจเฉลยบุญกุศลนี่คิดเท่าไหร่ยิ่งย็นยือกยยิ่งเย็น ยิ่งเยือกเย็นยิ่งมีความสุขปล่อยวางได้เท่าไหร่ยิ่งมีความสุขยิ่งเบายิ่งสบายอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนจะต้องข่มตัวเองให้ได้มานาทิฏฐิผู้เจ้าบอกให้ลดไั่ละให้ปล่อยให้วางให้ทอดให้ทอนลดน้อยถอยลงไปอย่าเป็นผู้ที่มีมานาทิฏฐิตัวทิฏฐิมานาทําให้แข็งกระด้างทําให้หนัก ไม่ใช่ของดีนะ่ะใครลดละปล่อยวางได้คนนั่นอยู่อย่างเบาอยู่อย่างสบายตัวในตนนี่เนเล่าอย่ที่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนให้ลดให้ละบ้างอย่าไปถือถือไปทำไมถือมันหนักแบกมันหนักใครลดใครละให้มันลดน้อยถอยลงไปเนะี่ยคนนั้นอยู่อย่างเบาอยู่อย่างสบายอยู่อย่างเนี้ยสมมติอยู่อย่างเนี้ ย, ย, ย, ยโลกเนี้ยสมสารไม่ดีเหรอ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 วันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะเจ็บขอเวลาครึ่งชั่วโมงไม่มีมันเป็นไปไม่ได้มันจะตั้งใจมันจเจ้าหรือไม่พูดถึงกิเลสมันออกตัวนะมันหาทางออกตัวนเข้าค้างตัวอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างอยู่ตลอดเวลาเอาไปมาไม่ได้ทํานั่นใจก็เศร้าก็หม่องใจก็ไม่มีคุณค่าราคาเกิดขึ้นมาแต่ละเมื่อละวัน ตา ย, ตายเฉยๆตายเฉยๆไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วอย่าขฆ่าเป็นประมาทนอนใจนั่นงสมาธิภาวนาทุกวันทุกวันเนื้อใจก็สงบใจก็เยือกใจก็เย็นใจก็สบาย เ, เมื่ใจสงบแล้วมันมีความสุขมีความสุขอยู่คนเดอมีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนมีความสุขอยู่ในโลกนี่ก็มีความสุขตายไปก็มีความสุข น, นัถ้าใจดีใจมีคุณธรรมแล้วไม่หวั่นไหวไม่อยู่ในความกลัวตายวันไหนก็ได้คิดมาเวลาไหนโอ้เราเดี๋ยวต้องาำกุศลความดี เ, เรามีที่พึ่งทางด้านจิตใจแล้วเราตาเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าสวรรค์มีพระนิพพานนี่นั่นมันก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะประพฤติเป็นบัตรไปทุกวันให้ต่อเนื่อง ถ้าเราไม่คิดอะไรเดิไม่อ่านที่อะไรอะไรเลยเนี่ยมันมันลําบากโยมอืคนตายอจะมาไปในโรงพยาบาลโอ้โคนมันน่าสวดใจโยมคนมันเกิดมาเจ็บจริงเกิดมาเจ็บจริ ง, ร ง, รงออกไปจนจะไม่มีที่จะเจ็บไม่มีที่จะจอดไม่มีที่ว่าจะไว้เนี่ยอยู่ดีๆคิดว่ามันจะแก่คิดว่ามันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่เป็นไม่ไข้ ไม่ป่วยไม่ใครพอไปเห็ น, นมีทั้งเท่าทั้งแจ่สลามีทั้งเด็กทั้งหนุ่มทั้งสาวผม พ, พินาดูมันแจ่จริงๆนั่นแหละกนอกมาเป็นธรรมะผลที่สุดมันก็ไม่มีอะไรคนเราเกิดมาแค่นี้แหละอยอางมากร้อยปีพวกเราก็พันมากันท้วนอยู่นะ กเนี่ยทราบว่าเดือนหนึ่งมีครูบาอาจารย์มาแนะมานำาพำมสอนมาชี้แจงแสดงมาเตือนสติอยู่ก็เชิดว่าพวกเราทำดีถูกดีแล้วโยมก็ทำไปตลอดถ้าเราไม่ทำอย่างนี้บางคนก็นไม่มีโอกาสเวลาที่จะให้ทาน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 ก็เป็นผลดีของพวกเราทั้งหลายเราก็พยายามทาไปให้มันต่อเนื่องอย่าลดอย่าละอย่าปล่อยอย่าวางสังขารร่างกายมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแทแน่นอนให้พิจารณาดูสิอะไรมันแน่นอนสักอย่างในสลักขังร่างกายในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีแต่ของอนิจจังไม่เที่ยงมีแต่มันเป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ เดี๋ยวก็หบังเดี๋ยวตาบ้างเดี๋ก็แ้งขาตีนมือมันสลุสลดมันเสื่อมไปทุวันทุวันเรา๋ยจะคิดว่ามันนิ่งเฉยนะสังขารร่างกายเนี่ยมันเสื่อมพั้ยเสื่อมไปมันไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์หรอกมันเสื่อมไปแต่เราไม่ได้กําหนดเราไม่ได้พิจารณาอ่าก็เลยไม่รู้ว่ามันเสื่อมไปมันสลุสลมไปตั้งแต่เมื่อไหร่ความจริงมันไปอยู่ทุกวันทุวัน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 ธรรมะของพระเจ้าท่านแนะนําท่านสั่งสอนท่านตัดด้วยยังคงเส้นคงวาเราโน่นนาไปประพื่อปฏิบัติได้รับผลแน่นอนเราไม่ต้องสงสัยคาใจสงสัยในใจว่าปฏิพฤ่อปฏิบัติยุคนี้สมัยนี้มันจะหมดเวลอมเวลามันหมดสมัยหมดจูเรอไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้าเหมือนเดิมถ้าเราน้อมนําไปยังดีทุกกระเบียดนิ่วเลย แล้วนั่งสมาธิก็เห็นความจริงแล้วรักษาศีลก็ได้รับอาเนสง่งแล้วทําบุญก็ได้บุญทําบาปก็ได้บาปแล้วปฏิบัติธรรมกับพ้น ท, ท, ท, ท, ทุกได้นั่นทําไมจะไปสงสัยคาใจคองใจให้เราดําเนินต่อไปพี่น้าต่อไปตื่นขึ้นมาให้นั่งสมาธินอนก่อน้นองก่อนั่งสมาธินั่งมันทวนให้เป็นจิตวัด ถ้าเราเคยนั่งเรามันไม่นั่งมันก็ไม่สบาย อ, อกสบายใจแล้วนั่งท ว, วนทวนทวนมันก็เห็นเองเลยอยู่จะสงบไม่สงบไม่สําคัญสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้หลวงปงู่ขาอยู่ว่าตจังเพลทสั่งลูกหลานเดินยังก็ไม่เจอเดินไปอแล้ววันหนึ่งมันจะสะดุดใจมันจะสงบสักนิดหนึ่งมันประทับใจได้บุญอานี่สูงมากใจมันสงบ เดินมันสมาสงบไปเดินอยู่เงินเดินไปเดินมาสักวันมันจะนึกถึงพุทโธใจจะอยู่กับพุทโธนี่ลวมหาใจก็ได้บุญได้อเนกสง์ท่านคิดอย่างนั้นนะเพราะเราบางที่บาสนาบารมีเราเพิ่งจะสร้างใหม่เพิ่มใหม่ทำมาใหม่มันยังมัมีนิสัยอุปนิสัยมันก็ต้องลําบากน้อยต้องอดต้องทนต้องต่อต้องสู้ต้งรต้องเริ่ม มันว่างงานนะทำไปทำไปมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นศรัทธาก็ดีขึ้นศรัทธาก็แจกก้าก็อยากอยกประพฤติอยากอยากปฏิบัตินั่งเหรอมันเห็นนั่งแล้วมันรู้นั่งแล้วมันฉลาดนั่งแล้วมันมีความสุขมีความสำเร็จมันก็ยังนั่งต่อไปนั่นถ้าเราไม่นั่งซะเลยเนี่ยจะเอาดีมาจากไหนเอาเจริญมาจากไหนเอาบุญมาจากไหนออายุยานไปก็ตายเฉย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 ดูแลรักษาฝนตกลงมาก็โดนพายุมากก็โดนลมมาก็โด น, าโดนาหาที่พึ่งเวลาจําเป็นก็อยู่ด้วยความระมัลําบากรายแบบทุกอย่างเห็นใจคนที่เขาเจริญเขาพยายามดูแลติดแกบบ้านก็เป็นยังไงมันทะรุ้ปลกปลูกมันไม่ดีก็าซ่อมก็าแซมก็ดูแลเวลาฝนตกแดดออกก็มีที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่อุบอุ่มใจโอ้นี่เรามีที่พึ่งนะ คนตรงมาแล้ววิ่งเข้าไปอาศัยได้คนที่สร้างบุญสร้างกุศลก็เหมือนกันโอ้เราได้ปฏิบัติดําเนินเดินตามพระพุทธเจ้านะท า, น, ะานแล้วก็ให้ศีลแล้วก็รักษาภาวนาแล้วภาวนาคิดมาเวลาไหนก็ดีอกดีใจเพรเรานี้ไม่เสียทีเกิดขึ้นมาดีแล้วได้ฟังธรรมะได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้สะสม บ, บุญกุศลจิตใจผ่องใสางาม งามทั้งภายนอกงามทั้งภายในใจบริสุทธิ์ุดผ่องศีลก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์ตาแล้วจะไปไหนถ้าใจดีแล้วมีที่ไปเป็นที่ไปไแน่นอนมีที่ไปที่ดีแน่นอนถ้าใจไม่บริสุทธิ์แล้วไม่ทราบว่ามันจะไปตัวไหนตั้งแต่ยังไม่ไมตายมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้ว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 ขี้เล็ดทั้งหลายที่มันมาโยวยนชวนใ ห, ให้ทำผิดหลงผิดเพราะสติดีปัญญาดีเพราะเราฝึกมาดีเพราะธรรมะคุ้มครองน่นอยู่เป็นสุขได้ทุกเวลาเราต้องมั่นใจวันนี้ก็ให้ธรรมะญาติโยมพอประมาณขอให้ลูกหลานทุกคนจงตั้งอยู่ในคุณพระศรีรัตนาตาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาเอกของโลกได้มาได้สุขได้เตียนได้พรมได้สอนและน้อมนำมาพระพุทธปฏิบัติข อ, ขออนุทนาทุกคนว่ามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็ข อ, ขอให้เจริญ้วยอายุวรรณสุขะภละเมื่อจากโลกนี้ไป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 อยู่บนสวรรค์ไม่ต้องทุกข์มีแต่สุขมีแต่บายกายกระถิบอาหารกทะถิบอะไรก็ดีหมดเมื่อจุตติจากสวรรค์มาเกิดลูกมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ดีเป็นลูกเศรษฐีขี่วุ้งพีมีเงินมีทองมีสมบัติพระสถานมีทั้งข้าตัดบริบาลมีทุกสิ่งตุบการพ่อก็ดีแม่ก็ดีอยากก็ดีพี่น้องก็ดีสามีภรรยาถึงร้านบ้านตลาดเงินทองเข้าของมีบริบูรณ์สมบูร์ก็ คณะว่าเป็นสวรรค์นในโลกมนุษย์อันหนึ่งนี่วันนี้ขอให้พวกท่านราษฎรมีทต่ความสุขความเจริญประสบความสําเร็จด้วยตัวหน้ากันเถิด